สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวตพระเยซูตอนที่412จุดออนประการที่สามของไปโตเพราะชนะของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่ในพระธรมรมลูกาบทที่22ข้อ47จนถึงข้อที่53 พระธรรมลูกาบทที่22ข้อ47จนถึงข้อที่53พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำนี่เนี่ยมีคนเป็นอันมากและผู้ที่ชื่อว่ายูดาสเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนั้นนำหน้าเขามายูดาสเข้ามาใกล้พระเยซูเพื่อจุบพระองค์แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่ายูดาสท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือ เมื่อคนทั้งปวงที่อยู่รอบพระองค์เห็นว่าจะเกิดอะไรต่อไปเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าให้เราเอาดาบฟันเขาหรือมีคนหนึ่งในเหล่าสาวกได้ฟันธาตุคนหนึ่งของมหาปูโรหิตประจำการถูกหูข้างขวาขาดแต่พระเยซูตรัสว่าพอเสียทีเธอดแล้วพระองค์ก็ทรงถูกต้องใบหูคนนั้นและให้เขาหาย เยสูตรแก่พวกมหาปุโรหิตพวกนายทหารรักษาพาวิหารและพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจับพระองค์นั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาเมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายในบริเวณพวิหารทุกๆวันท่านก็ไม่ได้ยื่นมือออกจับเราแต่นี่เป็นเวลาของท่านและเป็นอำนาจแห่งความมืดพระวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับ ในพระธรรมยอนบทที่สิบแปดพระธรรมยอนบทที่สิบแปดข้อยี่สิบห้าจนถึงข้อที่ยี่สิบเจ็ดขณะนั้นซีเมือนเปโตกำลังยืนผิงไฟอยู่คนเหล่านั้นถามเปโตว่าเจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือเปโตปฏิเสธว่าไม่เป็นชาติของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตฟันหูขาดก็ได้ถามว่า ข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั้นในสวนไม่ใช่หรือเปโตปฏิเสธอีกครั้งและทันใดนั้นไก่ก็ขันพี่น้องครับพระกัมพีได้บ่งชัดเจนนะครับว่าสาวกที่ได้ฟันสาวกที่ฟันหูของธาตุของมหาปุโรหิตขาดนั้นก็คือเปโตนั่นเอง อันนี้ชัดเจนอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อที่10นะครับพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อที่10ได้กล่าวชัดเจนถึงเปโตรซีมมนเปโตรมีดาบจึงชักออกฟันธาตุคนหนึ่งของมหาปุโรหิตผู้ประจำการถูกหูข้างขวาขาดไปธาตุคนนั้นชื่อเหมาคัสข้อ11พระเยซูตรัสกับเปโตรว่า จงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือพีองครับจุดอ่อนประการที่สามในชีวิตของเปตโตก็คือเขาเป็นคนที่โกรธง่ายโกรธเร็วเขาเป็นคนที่ทำอะไรตอบสนองเร็วจนเกินไปภาษาอังกฤษใช้คาว่า act too fast act too fast พระกมภีร์ได้บรรยายว่าซีโมนั้นหรือเปตโตนั้นมีดาบดาบนี้เป็นดาบพกครับดาบพกซึ่งพวกทหารของโรมนั้นพกกันใช้เป็นประจำพี่น้องลองคิดดูว่าเปตโตนั้นทําไมถึงต้องมีดาบพกติดตัวไว้เปตโตท่านอาจจะเป็นผู้ที่หวังดีต้องการเป็นกาดหรือเป็นรอพอพอให้พระเยซูในคะแนนด้วยกันนะครับก็มองได้ว่าเปตโตนั้นก็ ไม่เบาเหมือนกันครับก็คือเขาเนั้นเหมือนกับคนสมัยนี้ต้องพอกเบินป้ากมีได้บันทึกโดยเพราะอย่างยิ่งยอนครับบันทึกเหตุการณ์ใกล้ชิดเลยครับเพราะว่ายอนอยู่ในเหตุการณ์นั้นและพี่น้องคิดว่าเปโตนั้นเอาดาบมาฟันต้องการแค่ตัดหูของเมาคัสเหรอครับคำตอบคือเปล่าครับ เปโตนั้นไม่ต้องการตัดหูนะครับเปโตน่าจะคิดแทงคอครับหรือฟันให้หัวแบะเลยนี่คือสิ่งที่เป็นการโกรธง่ายโกรธเร็วของเปโตเป็นการตอบสนองเร็วจนเกินไปและสิ่งที่พึ่งพีได้พูดถึงเกี่ยวกับการที่พระเยซูได้ตรัสภาษาอังกฤษนั้นน่าสนใจครับในคิงเจน ก็ได้แปลว่า suffer d a s far suffer d a s far นั้นมีความหมายว่าพอกันทีอย่าทุกข์มากกว่านี้เลยพระกัมพีภาษาไทยแปลว่าพอทีเถิดพี่รองรับพระเยซูกำลังพูดกับใครพระเยซูกำลังพูดกับทุกคนครับที่มาจับพระเยซูและพระเยซูสำหรับเมาคัสนั้น suffer d a s far ก็คือเจ้าจะหาย จะไม่เป็นไรมากเจ้าจะทนทุกข์เท่านี้สําหรับเปโตก็คือคุณซับเฟอร์มามากพอแล้วหยุดเถอะเดี๋ยวจะแย่กว่านี้พี่น้องครับคําว่าพอทีเถอะน่าจะเป็นเสียงที่พระเยซูพูดกับเราในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันสําหรับคนที่โกรธง่ายโกรธเร็วทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิด พี่น้องครับลองนึกถึงการทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับแล้วเหตุการณ์ต่างตเหล่านั้นที่เราไม่ได้คิดให้รอบคอบเราด่ ว, ดวนตัดสินใจและโกรธเร็วทำให้เสียการทำให้เหตุการณ์บานปลายและสร้างไซเอฟเฟคหรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเพราะความใจร้อนของเราทำอะไรโดยไม่ได้ะระมัดระวังไม่ได้คิดให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการพูดตอบโต้กันอย่างรุนแรง เผ็ดร้อนและหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เสียรูปการที่ควรจะดำเนินไปอย่างดีเพียงครับพระเยซูทรงตอบสนองอย่างไรผมเชื่อแน่ว่าเราคงรู้ทุกคนครับว่าพระเยซูเสียใจพระเยซูเสียใจในหลายหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันใกล้เคียงกันมากยูดาสมอบพระองค์ด้วยการจูบ นี่ทําให้พระเยซูเสียใจพระเยซูก็ถามอยู่ดาชว่าเจ้าจะมอบเราด้วยการจูบหรือพูดง่ายว่าเจ้าจะขายเราเจ้าจะทรยศรเราด้วยอาการที่ใกล้ชิดที่สุดแบบตรงกันข้ามฟ้ากับดินด้วยการจูบพระเยซูเสียพระทัยครับแนในขณะเดียวกันเปโตซึ่งเป็นผู้ที่พระเยซูรักเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูเป็นศิษย์เอกของพระเยซูเลยทีเดียว เปโตนั้นจ้องที่จะฟันหัวแทงคอแต่ไปโดนหูเข้าพี่น้องคิดว่าพระเยซูเสียพระไถ่ไหมครับและจากเหตุการณ์วุ่นวายจราจนเล็กๆในการจับกลุ่มพระเยซูนั้นพระเยซูก็บอกกับทุกคนว่า suffer t h s er far ก็คือพอทีเถิดพอทีเถิดอย่าทุกข์มากกว่านี้เลยอย่าทำให้ทุกอย่างเลวร้ายไปกว่านี้เลย นี่น่าจะเป็นเสียงที่ตรัสในคช้าวันนี้สําหรับทุกๆุท่านพี่น้องครับคนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือเมาคัสเรารู้ว่ายอนนั้นบันทึกพระกิติคุณประมาณคอสอที่เก้าสิบครับตอนนั้นเปนโตตายแล้วครับและยอนนั้นทําไมถึงคิดถึงและจําชื่อเมาคัสได้เพราะว่าประการแรกก็คือยอนั้นเป็นคนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวของมหาปุโรหิต เหตุที่ว่าเขามาจากครอบครัวที่ส่งปลานะครับเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นชาวประมงส่งปลาเขาก็ส่งปลานะครับจากทะเลแกลลีลีนะครับก็มาที่มหาปุโรหิต ท, ที่บ้านมหาปุโรหิตแสดงว่าพ่อของยอนนั้นก็ค่อนข้างจะมีมีอิทธิพลพอสมควรมีเงินพอสมควรแต่เมลคัสนั้นน่าจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับมหาปุโรหิตครับในขณะเดียวกัน ก็สันนิษฐานว่าเมาคัสในที่สุดนั้นเขาน่าจะกลับใจมาเชื่อพระเยซูเป็นคริสเตียนยอนนั้นก็จำเขาได้คาสันนิษ ฐ, ฐานเหล่านี้ก็เป็นคสาสันนิษฐานที่เป็นไปได้พี่น้องครับเมาคัสถูกพระเยซูพูดกับเขาว่าซาฟเฟอร์ดัสฟาร์เป็นไปได้ที่เมาคัสนั้นกลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้ว <c oughs> อาจจะ อยู่ใกล้ๆ ก, กับย อ, อนย อ, อนก็รู้จักครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือให้เราไหวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธอย่าแอคชั่นเร็วจนเกินไปประการที่สองก็คือเราจะต้องคำนึงถึง side effect หรือผลข้างเคียงที่ก่อเกิดความเสียหายมากที่จะเกิดตามมาเมื่อเรามีพฤติกรรมแบบนี้ประการที่สามความกล้าบ้าบินของเปโต กับกลายเป็นความกลัวรนลานจนถึงการปฏิเสธพระเยซูในที่สุดเป็นไปได้อย่างไรครับประการที่สี่ครับพระเยซูตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพระบิดาทราบน้ำมัไทยของพระบิดาและในที่สุดรักษาเมาคัสปลอบใจเขาและหยุดเหตุการณ์ที่เลวร้ายลงไปเรื่อยๆเหตุการณ์เหล่านั้นก็สงบลงเพราะพระเยซูเสียสละพระองค์เองและถูกจับ พี่น้องครับชีวิตของเราก็หลายๆครั้งทีเดียวเราอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆหยุดลงและให้พระคัมภีร์พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็คือพอทีเถิดเป็นเสียงของพระเยซูที่จะตรัสอยู่ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน